อตตกิลามัานุโยโคลอตตากิลามัานุโยกนี้เล่าก็เป็นของเลวลามกเหมือนกันอตตากิลามัานุโยโคนั้นคือปฏิบัติผิดถือลทัทธิภายนอกพระบวรพุทธศาสนาแท้จริงลทัทธิแห่งดิตติญานิครณภายนอกพระศาสนานี้มีมากกว่ามากเป็นหลายพวกหลายพันหมายเหตุ ดิตถิยะหรือดิตถีคือคำเดียวกับเดียรถีนะครับอเจลโกบางพวกถืออเจละกะปฏิบัติไม่นุ่งผ้าเลยเปลื่ยกายอยู่เป็นนิดมุตตาจาโรบางพวกถือมุตตาจานปฏิบัติยืนไทายปสัสาวะเป็นนิดนิรันหัตถาวะเลขาบางพวกถือหัตถาวะเลขาปฏิบัติ ถ่ยอุจจาระแล้วชําระด้วยนิ้วมือเอกาคาริโกบางพวกถือเอกาคาริกาปฏิบัติรับก้อนพัดในเรือนอันเดียวเอกาโลปิโกบางพวกถือกินอาหารแต่มือละคำละคำํำธวาการิโกบางพวกก็ถือทวาการิกาปฏิบัติรับก้อนข้าวในเรือนสองเรือน เอกิสาวาอิทิยาบางพวกก็ถือรับก้อนข้าวอันสตรีผู้เดียวให้เอกาหิโกทศาาหานิบางพวกถือบริโภคอาหารมื้อหนึ่งแล้วงดไปสิบวันบางพวกบริโภคมื้อหนึ่งแล้วงดไปกึ่งเดือนบางพวกก็บริโภคแต่ปลายข้าวบางพวกก็บริโภคแต่ข้าวแดงสาการพักโข บางพวกบริโภคแต่ผักดองบริโภคแต่ผลไม้ตันดูลาพักโขบางพวกบริโภคแต่ข้าวสารกุนดกะพักโขบางพวกบริโภคแต่รำวากาจีโรบางพวกก็นุ่งผ้าอันกระทำด้วยปอเกสากัมพโลนุ่งผ้าอันกระทำด้วยผมคน นุ่งผ้าอันกระทำด้วยขนสัตว์นุ่งผ้าอันกระทำด้วยขนปีกนกเขากันทกะสายิโกบางพวกก็นอนในน้ำพระโชชนลัทะโรบางพวกก็หมักตัวอยู่เป็นนิดไม่อาบน้ำชำระกายสภาวะที่ถือลทัทธิภายนอกพระาศาสนาต่างๆนา น, านาเป็นอาทิฉะนั้นเรียกว่าอตตากิละมะทานุโยก กระทำนั้นหาผลหาประโยชน์ไม่ได้ลำบากกายเสียเปล่าทุกโขมีแต่จะได้ความทุกข์ความลำบากเป็นเบื้องหน้าสวีสัคุโลวิยละลัทธิแห่งดิตถีหรือเดียรถีนั้นมีกรูวานาดุดน้ำอ้อยอันรคนไปด้วยยาพิษผู้ใดบริโภคแล้วผู้นั้นก็จะถึงแก่มรณภาพ จะได้เป็นประโยชน์มากว่าหน่อยหนึ่งหามิได้คาราเพสัชชะโยชิตะปุติมุตตังวิยะถ้ามีฉนั้นลทัทธิแห่งดิฐีนิครนทั้งปวงนี้มีครุวานาดุดมูดเนา่าอันประกอบด้วยยาพิษอันเข้มแข็งผู้ใดสำคัญว่าเป็นยาและหลงดื่มกินผู้นั้นก็จะถึงซึ่งความตายถ้ามีตาย ก็จะได้สวยทุกขเวทนาแทบบรรดาตายอันจะได้สำเร็จเพสัชกิจรำงับโรคอันใดอันหนึ่งนั้นหาม่ได้ยะถาอันนี้และมีอุปมาชั้นใดลทัทธิแห่งดิตถีนิครนทั้งปวงนี้ก็มีอุปมหมเหมือนดังนั้นถ้ามิฉนั้นบุคคลผู้ใดปฏิบัติในลทัทธิแห่งดิตถีนั้น ดุดดังว่าบุคคลอันกินซึ่งน้ำเต้าขมอันประกอบด้วยยาพิษจะได้เป็นคนอันใดอันหนึ่งหามิได้มีแต่จะให้ลำบากกายเสียเปล่าอนาริโยบุคคลถือลัทธิแห่งดิตถีทั้งปวงนี้จะได้เป็นของแห่งพระอริยะเจ้าหามิได้เป็นของแห่งคนอันพาน สละพานังวิยะอคิมหิปะตะนังบุคคลผู้ปฏิบัติตามลทัทธิมิชาทิฐินั้นมีกรูวานาดุดตะ ก, กะแตนอันโดดเข้าในกองเพลิงมีแต่จะได้ความชิบหายเป็นเบื้องหน้าอนัตถสันหิโตอัตตกิลามัทานุโยกนี้จะได้เป็นประโยชน์มากว่าหน่อยหนึ่งหาไม่ได้มีแต่จะกระทำให้ได้ความชิบหาย เวรียัโขดุดดังว่ามหายักษอันผูกเวรและติดตามพิฆาตค่ายถึงความตายความชิบหายอาศสีวิสาขะหานังวิยะถ้ามีดังนั้นดุดดังว่าบุคคลอันหลงจับอสรพิษในที่มืดด้วยสำคัญว่าเชือกอย่าสงสัยว่าอสรพิษจะไม่ขบเอาตัวปปาเตปติโตวิยะถ้ามีฉนั้น ดุดบุคคล น, นั้นโดดลงในเหวอันลึกอย่าสงสัยเลยว่ากายจะไม่แหลกละเอียดไปถ้ามิฉะนั้นดุดบุคคล น, นั้นโลดเข้าในกองเพลิงอย่าสงสัยว่าเพลิงจะไม่สังหารบุคคลผู้ปรารถนาจะไครพ้นจากวัตาสงสารและลงปฏิบัติตามลทัทธิภายนอกพระศาสนานี้ <c oughs> ก็มีแต่จะได้ความลำบากกายเสียเปล่า จะได้พ้นทุกสำเร็จความปรารถนาหามิได้แท้จริงลทัทธิแห่งดิตีนิครนภายนอกพระาศาสนานี้ย่อมลอ่อลวงคนอันาพานให้ลุ่มหลงเหมือนด้วยศัตรูอันมาเป็นมิตรกล่าวลอ่อลวงให้หลงแล้วแล้วนำไปตัดศีรษะเสียในป่าชัดเหตุชะนี้ตถาคตจึงตรัสเทศนาว่าอัตตากิละมัทานุโยก คือลัทธิภายนอกพระศาสนานี้เป็นของอันชั่วเป็นของอันลามกมีคนที่บรรพชิตในพระพุทธศาสนาจะพึงซ่องเสพสมาคม